ยายามจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันเพื่อการได้ไกลเธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอเคลียบเข้าไปให้ไกลเธอเสมอแต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันเฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอ เธอคือจุดหมายปลายทางของใจของใครต่อใครที่เขาต้องการจะไกล้เธอ พร้อมสูงเทคนาดไหนยางเหนื่อฉันยิงดีเสียไปน้ำตาฉันยิงดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่ไรโปรดจงรแต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันฟังคอยแค่ ใจของใครต่อใครที่เขาต้องการจะไกลเธอ ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครเปราะจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมถึงแท้ขนาดไหนการเงือฉันยิ่งดีเสียไปน้ำตาฉันยินงดีรินไหลฉันนั้นรอเธอจนหมดใจและฉันรอเธอมาเท่าไรเพรจงรู้ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าสักทองไม่ออน ใจแล้วฉันรอเธอมาเทอาไร่ปูดจงรู้ว่ารักของฉันนั้นมันยิ่งเลือก่าสัก จู๋